Book 2 <21. S 3> <21. S> 2ยี่สิบเอ็ดดิวดาเวียการสนทนาสองนซทีวคุณมาจากไหนคะโนกูเรียนส s ยูสแอสมาจากบาเซลค่ะ n น b วม e าเซเลสปาเลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาเซเลสอาตัวด์สวิตดิฉันขอแนะนาให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะอเเขาเป็นคนต่างชาติวิอ เขาพูดได้หลายภาษาวิงชรุณ a ไวราคาสวาลัวดัสคุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะไว i ยเชต t อสสต์ปิร์โมเรซไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะเน a เตบิโยยาุ a ก ā ชยาก a แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะเบตติกายอุสเวีย น, านาุกเนเดลคุณชอบที่นี่ไหมคะค้ายุมเปลี่ยนมงส์ปคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะยูติลาบิยาดิสิรยาวคีและดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ คุณอรีอัพการ์ดเนมันปทกคุณทำงานอะไรคะกาดอิดยียสุโปรเฟสดิฉันเป็นนักแปลเอสเอสมตูวกวตอยดิฉันแปลหนังสือเอสตูวกวยูราเมตส คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะวายูเชตอสสตวีนะไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะเน่มันสวีรสอรีอิรเชตและนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉันอุนตูอิร์มานิอาบิบานิ